แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าชาติปางก่อนนี้เราทำความไม่ดีอะไรไว้บ้างซึ่งจะต้องมีแน่ๆเพียงแต่มากหรือน้อยเท่านั้นที่เราไม่อาจจะทราบได้ซึ่งก็จะต้องได้รับวิบา ก, กรรมในชาตินี้ต่อไปฉะนั้นไม่เพียงแต่เราจะต้องละการทำชั่วแล้วเรายังต้องสร้างกรรมดีให้เพิ่มพูนยิ่งๆขึ้น เพื่อห น, นีให้พ้นวิบากที่ไม่ดีในชาติปางก่อนๆโอวาทข้อที่สามนี้ท่านเหลี้ยวฝานจึงสอนให้ลูกรู้จักสร้างความดี